คู้ายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่จำอยู่กับตัวของเราที่ว่าพญานาถถมอิพยาจริงานาฏโตเรามีความหิุดให้เป็นทงางมนดา เรื่องเพิ่มความเกียดใครก็ไม่ได้มีอยู่กับจัตัวของเราทุกคนพัญญาที่คิดเรื่องเกียดใครพัญญาที่ในคิดเื่อเกลียดเธความไม่สบายอือเรื่องกระทบกระเทือนเสียดสีสำหรับตัวของเราทุกคน มาให้อยู่เปนสุขสบายได้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนกระทันแก่ท้าวชราน้นหางตามเบียดเบียนอย่างนั้นตลอดเวลาห้าคนสุขเซตนิดหนึ่งไม่มีเลย ที super super aud, ่ว่าสุดๆนั้นเราะคมาเพราะคนหลงการที่จริงนั้นไม่มุขการเจ็บการปวดลอกเข้าใจแต่การเป็นไข่รักษาปวดทอง นกนับนอนครับเสื่อกั บ, กบมอนกนเรืยอว่าเจ็บกงนเรียกว่าป่ย ว, าวยแท้ที่จริง น, นที่ท่านว่าอาพาธที่เขาคือเป็นภูอาภาฏนั้นคือความเสียดแท้นี่ตลอดเวลาไม่ทิ้งกับว่าเป็นหนักเป็นหนาด้วยคันทัน้ง นอนก็เสือขมอนจึงเรียกว่ า, าผ้าจิตต เ, เกิดขึ้นมาจะอยู่ันนี้ในคันของมันดานอนด้วยในคันของมันดาอยู่ในท่าเดียวคดคุดยในท่าเดียวพิแทงเสี้ยนก็ได้ ความทุกขเวทนาที um ่นั <şu una S 2> ้นมีใครเห็นด้วยสัวของเราเองก็ไม่รู้จักสมมติสัญญาตเวทนาคืออะไรก็ได่รูจักแต่กลุ้มใจอยู่ในนั้นนั่นเรียกว่าเวทนาความเจ็บขมปวดความเมื่อย อยู่ใน น, น, นนั้นของเซนเิทนาข้อตัมายิ่งขนาดนักทุกของแข็งเขายื่มเจ็บอิ้งปวดมอยู่ในครั้นอากาศก็ดะเอียดอาศัยลมหายใจของมันดาแลลอเรื่อง าาถ้าหากมันดาไม่มีลมถ้าลมอยู่ในท้องก็ไม่ระบายออกมาอาสาลมมันดาระบายออกระบายเขาหรือ ว, ว่าอาสายลมคนอื่นคนอื่นนิดคนนั้นเอื่อยเหนื่อ ย, อยมันก็ต้องเหนื่อยเสียตา สุดเพิงกับการการเจ็บการปวดการเนื่อยขูปการมันอยู่กับมารดามันคลอดออกมาแล้วนั่งใ่ลมของเราระบายอืมค่อยสะดวกหน่อยจะถึงขนาดนั่งก็การเจ็บการปวด เนื้อถูกของแข็งสัมผัสกับของแข็งยิงทุกข์มากถึงกับร้องไห้ทั้งหทอการร้องไห้นี่เมื่อเราพัฒนาและการทัฒนาอย่างนี้เรียกว่าทุกเลือกว่ อาพาธอยูปกติธรรมดาที่เราอาศัยยืนอาศัยเดินอาศัยนั่งนอนเรื่อียาพวกต่างๆคือเปลี่ยนทุกขเรืนน่องธรรมาเรื่ออาพาธ ดูเหนื่อยหนักก็ตงเดินเดินเหนื่อยหนักก็ต้องนอนก็ต้องนันั่งเหนื่อยหนักก็ต้องนอนเปลี่ยนยาวยูทุกข์ทั้งสี่ยาบดทุกข์ยาบดูท้งเพื่อเปลี่ยนทุกข์ค่อยสบายไปหน่อยเปลี่ยนระฆังใส่ระฆระ้ังค่อยใส่ไปนิดหน่อย เราอยู่ไรด้ไ ม, ไม่มาเรียกว่าเวทนาท ไ, มไม่ไมเรียกว่าอาพาธไม่มีที่สิ้นที่สุดทุกคนต้องอาพาธตลอดเวลาเพราะร่างกายนี้เป็นที่ตั้ง ที่เกิดเป็นที่ตั้งของเวทนาหรือเป็นที่ตั้งของอาพาทิโกคือค ว, ควมออามเจ็บความปวดตลอดเวลาบางคนทำร้ายกันีัน่นเองจนลกกระส่ากระชทําทำอะไรก็ไม่สะดวกวองแท็ง เจ็บเจบป่วยปยร อ, อ, ก อ, อนแมอจะทานอาหารัคือไม่มรับให้อาหารไม่มีรลกมีชาดไม่มีอะไร่อยดูได้ด้วยสมตายมีทุกทั้งหลายมีอย่างนี้ มาพาดทั้งหลายมันเกียดแทงในอย่างนี้รังกายร่างกายเป็นของนาเรื่อนายเป็นของนาเกียดน่เป็นสาดถนาดตหาสุดตั้งใจภาวาา น, นาชนเมตนา เัืงของหน้าเขียวหน้าเบื่อหน้าอย่างนี้แล้วจิตเจไม่ตกเกาะเขียวึเรื่องลูกตายจิตใจนั่นออกไปมองดูยึธนาอยู่เที่ยวเนี้ใจออกจากอึดธนาลาพาชนเล เห็นอาพาธมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นได้กายโดยรูนีม้มาต้องมีอย่างนั้นทุกๆคนมีใครทีจะทนได้แล้คือความสลดตัางรูร้การที่ได้กายนี้มาให้เจ็บให้ป่วย มาให้อาภาษ่วอย่างนี้อยากแตะทิ้งกายนี้เสียระยะกายนี้เสียให้มันพ้นเสียคนจากกายนี้แล้วไม่ถือกายอื่นอีกต่อไปได้ทีไรสิไรก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเมื่อไรเมื่อไรก็ต้องเป็นอย่างนี้ แท น, นจะเกิดจนตายอย่างเดียวกันอย่างนี้เห็นชัดอย่างนี้เราก็จะไม่เข้ายึดถึงยึดหรือไม่ยึดมันก็ต้องเป็นในอย่างนั้นจะหากว่าไม่ยึดแล้ว มันจะปล่อยวาหมดเรื่องคเครตนาก็เป็นใน่างนี้นไนะม่ยึดก็เป็นนะี้ย่านั้นยึดก็เป็นนะียนั้นตัไหนตัวใดมาก้อนกายได้มาแล้วต้องเป็นอย่านั้นทุกทุกคนเช่นเป็นเรื่องของกายเช่นเป็นเรื่องสภาพของกายใจเลยใช่ไ นู่เอกเทศส่วนหนึ่งของมันเองครับทิงจะหมดทุกข์หมดร้อนบางคนถึงทุกข์มากอยากจะตายมันก็ไม่ตายบางคนไม่อยากตายมันก็าตายได้เองเป็นเรื่องของกาย ทั้งคนได้รูปได้กายได้รูปได้กาอยอันนี้มาแล้วหลงลืมตัวมัวเมาเปมาทเข้าใจว่เาเรานุ่มเข้าใจว่าเรายังสาวขเข้าใจว่าเรายังสวยงดงามเข้าใจเราจะไม่ตายร่างกายอยันนี้ ของยึดได้มาได้ไยึดร่างกายอนี้ไม่สวย่ว่าสวยไม่งามกว่างามมันแก่แล้วก็ยัไม่แก่มันเท่าแล้วก็วไม่เท่ามันเติมเติมไปทุกวันตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปฏิสนธิเติมเติมเติม คือว่ามันแก่ไปทุกวันทุกวันคนเราถ้าไม่แก่ก็ไม่คลอดคลอดออกมาแล้วก็เรียกว่าแก่โดยลำดำับหนุมมน่มแก่คมหนุ่มแก่คมคมเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาว แค่กระทั่งคนกลางค น, งคนแค่เท่าชรลาจนกระทั่งงออมมันจะรู้ตัวได้ว่าโมเมาประมาต์ตัวประการอย่างนี้สิ่งเป็นหน้าสรดทางเละคนหลงเงาททางหลายคนที่ใจมาก เน่ยได้ลงตามตั้งใจไปเจอมาหเห็นตามเป็นจริงตั้งมั่นอย่างเนี่ยทำที่เห็นตามเป็นจริงแล้วก็อ่อนวาเนีย่ยตั้งมั่นอย่างไรครับทำทำนี่แหละต้นทีพึงเป็นขอบ สำหรับที่จะยึดไว้ไม่ให้หลงกิดตามสังขารร่างกายถึงไม้แก จ, จ, จะเท่าไปกบเท่าไปตามเรื่องของสังขารร่างกายจึตใจไม่เท่าใจไม่แก่ถึงจะคนจากคงแกตคนเจ็บคงตาย อาละอะไรอย่างเนะี้ภาวนาอย่าคุยกันนั่งอธิบายฟังแล้วเมื่อวันภาคกอดข้อพันสากระไรมากสามเดือน เราทิศชีวิตร่างกายนี้เพื่อบูชาพระพุทธกรรมประสงบูชาพระพุตกรรมประสงโดยเฉพาะร่างกายของเราเมื่อ ย, ยังทรงชีพอยู่ว่าต้องมอบกายถวายชีวิตนี้เป็นเครื่องบูชา บูชานั้นหมายความถึงการบูช า, าพุทธธรรมประสงค์นั้นเช่นเราบูชาดอกไม้ทุกเทียนเราจะต้องเดบออกจากต้นบูชาธูกจุดธูกบูชาเทียนจุดเทียนไม่มีเสียดาย ก็จะหมดสิ้นไปการบูชาพระพุทธธรรมพระสงก็เช่นนั้นกันตั้งใจมั่นใจของเราว่าชีวิตของเราเป็นมานมนานแล้วยี่สิบสามสิบปีสี่สิบป่อะไรต่างๆไม่ได้บูชาคุณพระพุนาฏยศักที ในพรรษานี้ในเวลาเข้าพรรษาเราจะบูชาคุณนุปพกตเจ้าพระตามพระสงฆ์ด้วยการยอมสละทุกข์กิ่งในเวลานี้เรานั่งสมาธิภาวนายอมสละทุกอย่างความคิดควนึกที่ส่งสายภายนอก พระหมดปล่อยวางส่งนสงส่งไปพระหมดไม่เอากลับคืนมาตั้งใจตั้งสติสำหนดใจแห่งเดียวเราพอนาณาปาสิกำานดจิตตั้งสติกำหนดจิต ให้อยู่ในอนาปาสติกำหนดอนาตปาลมหายใจเข้าออกให้จิตแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกมี่อนาป่าสติลมหายใจขออกเราไม่ต้องไปกำหนด ตรงนั้นตรงนี้หรือแม้จะกำหนดว่าลมอยู่ตรงนั้นตรงนี้นตนนตนแต่หากทำความรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออกเราจะไม่เพียงแค่งลมเท่านั้นว่ามันระบายออกระบายเข้า สติตรงนั้นเ่ะจะก็มารู้เพียงแค่ลมเท่านั้นนะแล้วจ ะ, จะจับตัวผู้ที่รู้นั่นอีกทีหนึ่งรู้อ่าลมหายใจเขาออกใครเป็นคนรู้คือใจเป็นคนรู้ เมื่อจับใจได้แล้วลมก็จะหายไปหายไปนิ่งแน่วอยู่กับอาการที่รู้นั้นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าหน้าปาสตินายผลที่สุดลมก็จะไม่มี อย่าไปกลัวลมไม่มีไม่ตายหรอกเป็นเพราะภาวนาตั้งหานไม่มีลมก็มันดับมันสูญไปยิ่งดีคถ้ามันตายสพะภาวนาัน่ยยิ่งดีไราจะเสียได้สมตายตายได้ครั้งหลายหงไม่ดีหรอก ้าเราไม่มีวันตายแค่นหนเดียวเท่านั้นนะหมดครบหมดชาไม่ไม่เรียนว่าถตาเกิดอีกต่อไปมีหัดสมาธิภาวนาให้ลงตรงใจอันเดียวจับตรงใจอันเดียวเท่านี้ก็เป็นพอเอาทำได้นั่งภาวนาะ สมาคนเรานักจะกูดมาไม่มีการเสียสละสักทีคล้องผ่านไงก็คัง้งผานเอาก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดเขคองผ่นานนอกอยก่ห้ดูเจ้าดังเทศนาว่า พระล า, าวิปัญจคันธาทั้งห้านี้เป็นของนักเลพระลาฮาโลจะปุกขลโลแต่รุขคนก็ยังไปแด บ, บเอาเป็นพาละอยู่พาราทานนังทุกขังโลกเองทู้ทำพาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกมีคิดติตะวขลุงพารัง มันยังพาลังนาเดียงจงพาจงทิ้งภาระรา น, นั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอูนต่อไปจึงจะพ้นจากทุกในโลกนี้ไม่ทุกอูนอีกต่อไปขันห้าได้แก่รูกห น, นึ่งเวทาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารนสังขารจิงวาห น, นึ่งเที่ยวขันหา เรียกกับยอดเรียกกว่ารูปกับนามที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูกที่นามไม่เห็นโดยตาหนังในแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้มาในโลกนี้จึงได้ขันธโลก เราจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็มันอยู่อย่างเดิมเกิดทิ้งแล้วมื่อตายไปมันก็ต้องเกิดมันก็มันถือว่ามีรูปอยู่เ่องที่ อ, อย่างมีวทานาเป็นตนไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละแล้วพนระเดียวก็ท่านสอนให้ปล่อยว่า พระยูปเป็นไขของเราแเราจบไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็เลใช้อะไรเพาะอะไรก็ไม่ได้มหาเสนยูอย่างนั้นมีหน้าที่เกิดเกี่ยวกิบตายมันก็เป็นตามธรรมดาของมันเราจะเปยึดไปถือก็อเท่านั้นตะไปยึดไม่ยึดก็เท่านั้น ามีทำงานเป็นงานสังขารในางานก็ทางน้องเดียวการ น, นี้ทั้งหายอย่างนี้ขั้งห้าของเราทำไมจึงต้องทิ้งขั้งห้าของเราทำไมจึงต้องละอันที่พูดทั้งหลักทั้งหมดลงมารวมในขังห้าทั้งนั้น เพราะเทียงก็ต้องละอยู่ดีๆเพราะที่ยงโไม่เที่ยงก็ต้องละอยู่ดีๆนี่เองน้นก็ต้องจอยวางไปดีแล้วอย่างเราตายไปทันห้าสิรูกน้งก็ท้องเที่ยงหอดเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้ที้ตำมามันก่อ ของ ห, หนัก่วงทั้งยาทั้คข า, ญญามีงานต้องก็เป็นของหนักนักงานที่สุดจะเอาใส่จะไปเอาสัญญาความจดจำหนุนเอาสั้งขานของปรุงแต่งหน้นวิ่งงานความรูมญญม้สิดมาไว้ในตัวของเรานักที่สุดบางคนหนักจนเป็นโลกเช่นภาษา เกิดบายเจ็นตายรงนีหน้าที่ในการนำขันหากนี้ไปถ้าเรียนสงสาวบรือสู่เราท่านปล่อวางรถขันทั้งหากท่านปล่วางแล้วสบายร่องอกโลงใจเม่มีกังวลเกี่ยวข้อง ไปในที่ไหนที่ไหนทําไมมีกังวลเกี่ยวข้องถึงขันมีอยู่พระองค์ก็ทิ้งขันถึงสังขารของพระองค์ยางไว้แตกดับพระองค์ทำไมงานพันธะมาไวทั้งหมดทิ้งหมดทําไมจึงต้องฉันอาหารอยู่เราหากจะ มีคนถามต้้งตอบว่าเป็นไปตามสังขารเมื่อมีชีวิตอยู่ตรงไปตามเรื่องแต่เป็นแต่สักว่ากิริยาไม่ใช่ธรรมกันจริงๆอย่างจั ง, จ ง, จงทางสักแว่าธรรมเป็นกิริยาเท่านั้นพระพดทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรา ก็ทำตามพระองค์ได้แล้วสอบโพลแล้วจึงสอนให้พวกเราทําตามเพื่อจะได้เบายอย่างพระองค์มันน้อยนักน้อยหนาะคู่จะเห็นด้วยเรื่องเหล่านี้นั่ใจวางนัำยาที่ชุดเป็นแต ชื่อไม่มีตนมีตัวพุทธเจ้าและพระสงสาวบของพระอิคท่านจอยวางได้แล้วท่านจึงสอนให้จ่อยวางเสียตาโพงการถือขันห้างทุกบางคนถือจนเป็นโลกประสาตมีกินไม่ได้น้อนไม่หลับนอนก่อ ภาวะตื่นตกใจก็มีเพราะความถือมัอนมีมามานานแล้วมันคงเขอามาจิตรวมหลงว่างว่างโล่งั้งหมดตื่นภาวะตกใจกล็ตายก็มีเพราะคปล่อยวางเมื่อมีที่พึ่งก็ปล่อยวางนั้นมันก็ดีแล้วี่ แต่คนเราสร้างแต่เกิดมาไม่คเคอปล่อยวามีแต่ยุดจะถืออะทั้งนั้นหรือว่าของท้งหนาคารในกายพอมาตลังงา10ิตรวนเขาเป็นพลัอองถึงเสื่อมจยต